กายใจของเรางมีอยู่งมีความหมายนหนีการงานหรว่าขขเงินทองต่างๆหากหมดเรื่องของกายของจิตสิ่งเหล่านั้นถึงจะมีอยู่อยู่ตามเรื่องของเขาตามสภาพของเขาใจของเราึงเป็นื่อสำจะต้องที่นีที่จะได้าหาสาเหต เขาใจตามเป็นจริงแล้วจะมีความสุขเพราะความรู้จริงเข้าใจจริงปล่อยวางจริงเห็นสิ่งต่างๆเป็นของจริงพอเห็นจิตของตัวเป็นของจริงนี่คืเดี่ยวข้องได้มีการที่นี่พิจารณาก็บพ่าจิตยังไม่เห็นจิตจริงจิตยังไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเป็นของจริงในตัวข้องมัน มีการสงสัยมีการอยากได้มีการเกี่ยวขอ้องกิดความลุ่มหลงทางศาสนาท่านจึงสอนให้ใจนา่ายให้เข้าใจให้เห็นจริงให้รู้จริงเห็นจริงท่านจึงว่ายาถาภูตังญาณทัศนัง <c oughs> คือมันมีอยู่อย่างไรก็ให้รู้ให้เข้าใจอย่างนั้น โดยไม่ไปาะเกี่ยวไม่ไปยึดถือกันมันเป็นจริงได้นในการปฏิบัติในการเข้าใจโดยปัญญามันไม่เหมือนจิตธรรมดาที่ยังไม่เคยฝึกอบรมถึงเห็นอะไรก็เกาะเกี่ยวอันนั้นสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกว็ไปยุ่งเกี่ยวจริงที่ให้ทุกข์ หดเลยไม่เห็นเรื่องของทุกข์กับเพิดเพลินหลงไหลวายสุกแก่ตัวความหลงของใจเป็นภัยสำคัญสำหรับตัวเองาจิตไม่ถูกการปฏิบัติฝึออกหัดอบรมจนเกิดปัญญาสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงจิตของตัวเองก็เป็นจริง มันก็ไม่มีอะไรที่จะมาหยั่ยยุให้จิตใจหลงไหลติดข้อมไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสหรือสัมผัสเพราะความรู้ความเข้าใจตัวปัญญาตายานจริงจังมันเด่นชัดมันไปจักในตัวของท่านท่านจริง ไม่มีความหมายในการเกิดการตายในการอยู่การไปไม่มีความหมายว่าชาติภพต่อไปจะเป็นอย่างไรนิพพานอยู่ที่ไหนอยากไปหรือไม่อยากสังเระอรหันหรือไม่อยากถึงนิพพานหรือไม่ขอเพาะท่านเห็นท่านเป็นจะว่าท่านไปหรือท่านอยู่ในความบริสุทธิ์ในนิพพานมันก็ถูกหมดความอยถั่วไป คือใจจี่อบรมฝึกฝนใจรนใจริงดูเห็นเด่นชัดในความบริสุทธิ์แต่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยการปฏิบัติกำหนดพินีเจริญนาให้เขาใจอย่างจริงจังมีปัญญาสามารถสอนใจตัวเองที่ติดข้องห ล, ลงลงให้ละทอนเลิกนี้ จากความหลุ่มหลงนั้นนั้นเช่นตัวอย่างตาเห็นรูปที่เราชอบเราพอใจอยากได้รักใครกำนัดผูดที่มีปัญญาภายในพอเห็นเข้าใจมันไปสัมผัสใจมันไปยินดีใจมันจิตรงชอบติดต่างๆปัญญาของท่าน สามารถจะสี่กาย <c oughs> แก่ไขจิตใจที่ผ่องจิตนั้นนั้นรูปอันนี้ไม่ใช่มีึืนวันนี้ขณะ น, นี้มีมาตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เห็นมันยังมีอยู่ถามันไม่มีเราก็ไม่เห็นแต่ก่อนเราไม่เห็นรูปอันนี้มีอยู่จิตก็ไม่ได้ไปเยี่ยวข้องจิตก็ไม่ได้ไปยึดถือไม่เกิดความรักความชอบอะไร แต่เมื่อเรามาเห็นทำไมมันไปยึดไปถือไปเกี่ยวไปข้องไปเกิดความอยากด้ายินดีในรูปนั้นนั้นนี่เป็นเรื่องปัญญาของแต่ละท่านที่จะแจกไขในขณะจิตที่ตัวชอบใจหรือติดข้องมันจะเกิดขึ้นแตามันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันแจกไขความลหลงไหลของจิต จิตอันนี้มันชั่วมันเสียมันยึดมันถือพอเห็นเขา้าสิ่งที่ดีมันก็ชอบใจติตใจสิ่งที่ชั่วมันก็โกรธเกียดต่างๆจึงไม่ควรเชื่อมั่นในจิตที่เป็นมายาจิตที่เป็นกิเลสตัณหาอย่างนี้ควรจะสำลักจิตใจ ออกไปด้วยสติด้วยปัญญาของตัวไม่เชื่อใจของตัวไม่นอนใจตายใจเพราะความรักก็ดีความโกรธก็ดีล้วนแต่เป็นกินเลสไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตที่จะนำความทุขมาให้แต่ใจมีรักมีโกรธอยู่เมื่ อ, อไรใจก็ยังด้รับความทุกข์อยู่เมื่อนั้นความจริงแล้วความโกรธเกิดขึ้นเพราะความรัก เรารักสิ่งใดสงวนสิ่งใดยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นภัยให้ทุกข์ถ้าเราไม่รักเราไม่ยินดีในสิ่งหนนนั้นเมื่อสิ่งหนนนั้น<ม>เกิดที่บาดไปเสียหายไปหรือแตกหักไ ป, ไปใจก็จะไม่เกิดทุกข์เพราะความไม่รักไม่ยินดีไม่จิดข้องในรูปหนนนั้น เราจะที่นี้พิจารณาได้โดยไงได้เรื่องสิ่งที่เราสละละทิ้งเด็ดขาดไม่ยินดีหวงแหนในจริงลับนั้นเช่นหมวดขูดหรือนาหมูกนาลายของเราเป็นต้นเมื่อตกหล่นออกไปเราไม่เคยคิดหวงแหนคนจะมาเหยียบมาย่ำทำลายหรือสัตว์มด แม้แรงจะมากัดมากินอย่างไรเราไม่เคยเสียใจไม่เคยเป็นทุกข์นี่จิตเมื่อรู้เห็นและละถอนปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่หึงหวงไม่รักจิตก็มีความสุขความสบายอย่างนั้นทั้งๆงจิตของอยู่ในตัวกอตามของอยู่นอกตัวกอาตังเมืม่อจิตไม่มีการรักการยึด มันสบายมันเป็นสุขแต่มันก่อฝึกยากสำหรับเราคนโง่คนชอบจิตชอบข้องชอบแวะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแม่แนะนทางศาสนาจึงสอนว่าปิยโตสยเตโซโกปิยโตสยเตพยังปิยโตวิปมุตตสานติโซโกมุตโตพยัง นี่เป็นภาสิทธ์ทางศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักยิยะนำความโศกมาให้นำภัยมาให้นำทุกข์มาให้ไม่เหมือนภาสิทธ์ของโลกของคนทานคนมีจิเลตันหาถือว่ารักกัน ไม่ภัยอันตรายอยู่ด้วยกันสะดวกสบายอยู่ด้วยกันเป็นสุขเพราะรักกันชอบกันเราเห็นตั้งแต่เวลารักเวลาชอบจิตที่สุขที่สบายแต่รูปนันนั้นสียงนันนั้นเมื่อจิตยังไม่เข้าถึงธรรมะจะไม่ทราบ ว, ว่ามันจะเป็นไปอย่างไร ในที่จิจ้าณาไปหลวงหน้าพอลูปหนนั้นเรื่องหนนั้นมันเกิดวิบัติเข้าโดยอำนาจที่ไม่มีธรรมะในใจไม่เคยไขจิตที่จะแจกไขให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงยอมยึดถือแล้วเกิดทุกข์จิต ด, ดูไ ง, ไง่ายๆสิ่งที่เราหวงแหนทุกอย่างยิ่งหวงมากห่วงมากก็ยิ่งทุกข์มาก เช่นลูกของเราสามีภรรยาของเราพ่อแม่ของเราเราถือว่าเป็นของของเราพวกเหล่านั้นหากป่วยไข้จิตใจของเราจะต้องกังวลวุ่นวายเรี่งเจ็นหาหยุกหายาห า, ห ม, ห, าหมอหาหมอมารักษาไม่เป็นอันกินอันนอนถ้าป่วยหนักเข้า ท, ทั้งทั้งเจรเราอยู่สบายกายสํา ของเราไม่มีใข่ไม่มีเก็บอะไรแต่ก็เป็นไปเพราะความรักอนาทของใจที่ไปยึดไปเกี่ยวข้องคนอื่นซึ่งนอกจากความรักของเราไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปยึดถือเขาป่วยเขาเป็นเขาล้มเขาตายสบายไม่มีการคิดอะไร คนนั้นป่วยหนักคนนั้นตายไปเจ้าจิตเจ้าใจายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจิตของพวกเราที่ไม่มีาาธรรมอัคติอย่างนี้ถือยึดในสิ่งของของตนเราไม่ยึดไม่ถือในสิ่งจิตตนนี่ถือว่าเป็นของของตน ญาติของตนคนของตนทั้งท่านอีกคนเหมืนั้นมีคุณค่าสเสมอกันคนเราตายหรือคนเขาตายก็คือตายด้วยกันคนเขาเจ็บคนเราเจ็บก็คือเจ็บด้วยกันแต่พวกเราท่านเหมือ น, นพี่เ จ, นะจ้านะจิตจิงยึดเป็นบางเกาะบางดอนปล่อยเป็นบางเกาะ บ, บางดอนบางสิ่งบางอย่างนี่คือจิตไม่เสมอจิตยังไม่เห็นอาจ ทำไม่พิจารณาตามเป็นจริงถ้าพิจารณาตามเป็นจริงเข้าใจจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกขึ้นชื่อว่ารูปก็กมีการตั้งขึ้นมีการแปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันหมดทั้งตัวเองและคนอื่นทั้งสิ่งที่รักที่ไม่รักมันเหมือนกันหมดถ้ายิดจิตไปยึดหนัก ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะนำความโศกมาให้เพราะไม่ได้สมหวังนำทุกมาให้เพราะเป็นไปตามความปราเถนาของตัวเราเองโง่หรือฉลาดอย่างไรจึงทำตัวของตัวรักษาตัวของตัวไม่ให้สุขไม่ให้สบายถ้าหากคนฉลาดคนมีอาจมีธรรมท่านจะไม่มีการแสบสาย ไม่สบายในสิ่งนั้นสบายในสิ่งนี้ท่านจะเฉยจะสบายอยู่เหมือนกันหมดทั้งตัวของท่านและคนอื่นที่เกี่ยวข้องรู้เห็นถ้าฝึกจิตให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นให้เป็นจริงอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาสำหรับตัวต่อไปมีการพิจารณาใจการละทอนกิเลส ตสองละถอนด้วยปัญญาความสุขที่แท้จริงทางศาสนาคือทางไม่ยึดไม่ถือทางละทางถอนความจิตขว้างห้องใจความสุขของทางธรรมผิดกันกับความสุขของโลกความสุขของโลกเป็นความสุขที่ยึดถือที่กอบกวยได้มาเท่าไรมีความสุขมีความสบายใจเท่านั้นทั้งทัง ่ง อ, อื่นที่เรายึดถือมาเขาไม่ทราบว่าเป็นของเราหรือของใครถ้าเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเขาอาจเสียใจว่าเรานี้เอารัดเอาเปรียบเขาไม่มีไม่เป็นอาจเป็นธรรให้แต่เราก็ดีใจเต็มใจว่าเราได้มาสัตว์ต่างๆที่เขากลัวมนุษย์เห็นมนุษย์ เป็นยักษ์พอเรียดเบียนเขาข่มขีเขาฆ่าเขาแต่เขาไม่มีอาวุธไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้มีจำนวนมากแต่เราก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสุขิสูงสุดในคุณความดีเพราะเราให้เกียรติตัวเราเองสัตว์อื่นเขาอาจถือว่าผีไหว้ยักษ์ แต่เขาันนี้มันพูดให้เราฟังเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นสัตว์ในหว่านกว่าสัตว์ต่างๆสัตว์น้ําสัตว์บกถ้าเห็นมนุษย์ไปมันกลัวที่มันกลัวก็เพราะว่าเรานี้มนุษย์นี้เป็นอันตรายต่อมันเป็นข้าศึกเป็นศัตรตูไม่ให้ความสุขความสบายแก่เขา เหมือน ก, นกันกับมนุษย์เก็บกลัวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วต่างๆที่เป็นลูกหรือเป็นวัตถุโดยเฉพาะสิ่งที่มีจิตวิญญาณที่ดูร้ายมนุษย์กลัวกันเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นจะทำลายตัวของตัว จิ้มกลัวสัตว์ทั่วไปวัวมนุษย์กาทานองนั้นพวกเราท่านจึงควรพิจรารณาให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันหมดทั้งตัวเราตัวเขาเมื่อใจเห็นชีวิตของเราเป็นอย่างไรชีวิตของสัตว์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นมันสม่ำเสมอ ในเบียดเบียนอิจฉาสัตว์อื่นคนอื่นเพราะเขาก็รักกรรมสิทธิ์ของเขารักชีวิตของเขาเมื่อเรารักชีวิตของเรานี่ทางพิจะะารณาที่จะประพฤติธรรมะจนพิจารณาเข้ามาภายในถึงถาถึงขันของแต่ละขันแต่ละคนแต่ละสัตว์ พอพิจรารณาถาดขันของตัวเองเป็นอย่างไรถาดขันของคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีสงสัยจะไปเกิดกำหนักคอใจหลงไหลหว่าสวยงามหรือสุขสบายเพราะก่อนท้องถาดท้องขันแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลดูตนของตนก็ทราบก็เข้าใจ ธาดอันนี้เต็มไป ด, ด้วยของปัจิกูลไหลออกมาทางตาทางหูเขาก็เรียกขีตาขีหูติดอยู่ตามสอกฟันเขาก็เรียกขีฟันออกมาจากจมูกก็เรียกขีมูกทุกทวารไหลออกตามกุ้งขนเขาก็เรียกขีไข เป็นของที่ไม่ดีเป็นของที่ปฏิกูลแต่เราก็ยั ง, ลงหลงไหลยังเฉิดเพินเต็มใจเพราะปัญญาตาในอาจทำไม่มีถือกันตามเหลืองจิเลตันหาติชาวโลกส่วนใหญ่ถือว่ามันสวยมันงามหน่ารักใข่หนาเต็มใจหนา ย, ยินดีแล้วจีเลต ที่เคยก่อพ่อ ก, ก่อชาติติดมาแต่เก่าก่อนมันก็มีทั้งทั้งที่ไม่มีคนแนสอนมันก็นึกคิดตรุงไปได้ในทางชั่วทางเสียต่างๆหากวยมีมทมในใจไม่อาศัยพระพุทธทเจ้าบง่งบอกมนุษย์เราก็ไม่จะแปลกอะไรกับสัตว์เพราะจะประพฤติปฏิบัติไปตาม เรื่องของกิเลสเมื่อมีธรรมคาสอนมาเป็นปฏิพสองความสว่างให้คนที่พิจารณาตามหลักอดธรรมก็พอทราบได้ว่าอันนี้มันอย่างนั้นอันนั้นมันอย่างนี้ยิ่งพิจารณาแยบคลายเข้าไปภายในกายของตัวให้รู้เห็นเด่นไปจักและทุกสิ่งทุกอย่างธาตุทั้งสี่ที่ผสมกันเข้า ถือว่าเราว่าเขานี้มีอะไรกันแน่สมมติมันต่างกันแต่ก็ถาดขันมันเป็นอย่างเดียวกันแต่สมมติไปอย่างไรถ้าพิจารณาแยบคายเข้าใจได้ตามเป็นจริงมันก็เบื่อหน่ายถอดถอนความยึดถือตอิดข้เอเถิดเทินต่างๆสลดสั้งเวทตัวเองที่มา หลงไหลยึดถือพอใจในของกกสกปรกสั้งเวดจิตที่มาอาศัยกายเหมือนตัวหนอนที่อยู่ในหลุมโมดพูดกกสกปรกโสโมมแสงสาหักแต่ก็หลงไหลติดข้องเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่แสงมีแสงสว่างสองเห็รู้เห็นนี่คือการประพฤติปฏิบัติทางศาสนา จิตเมื่อมีปัญญาจะต้องละถอนความจิตข้องละได้เท่าไรปล่อยได้เท่าไรมันก็ยิ่งสบายเหมือนกันกับเราเคยแบกเคยหามของหนักๆถ้ามีคนหยิบออกทิ้งออกได้เท่าไรมันก็สบายความหนักหน่วงก็น้อยลงไปเบาลงไปทิ้งทั้งหมด เราอยู่เฉพาะตัวไปเฉพาะตัวมันตัวง่ายเท่านี่การแบกบการหามการเย็ดการถือเรื่องขาดขันเรื่องตัวตนคนสัต์ก็ทํานองเดียวกันอุบายที่จะสอนใจให้รู้เห็นละถอนอย่างนั้นก่อข้อการกิณีพิจารณาเรื่องขาดขันตัวเองด้วยจิต มีหลักคือสมาธินักแน่ไม่ลำเอียงไม่มีอคติมันเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นมันก็มีการละการถอนการปล่อยการวางทางพิจารณาก็แล้วแต่สติปัญญาของใครที่จะพิจรารณา หาแยบคลาโดยอุบายอันใดความรู้ความเป็นมันจะเกิดขึ้นความเหยืยบความเย็นความสงบจิตของคนจิตพิจารณาไปหลายแง่หลายมุมต่างคนต่างคิดต่างปรุงต่างคนต่างฝึกต่างคนต่างปฏิบัติจุดรวมของจิตก็คือความสงบอันเดียวกันไม่ผิดแปกแตกต่าง มุ่งจุดนั้นคือจุดสงบจุดสบายจุดละจุดถอนจุดหลุดจุดพ้นไม่ได้หมายเอ า, าคนนั้นพิจารณาอันนั้นผิดคนนั้นพิจารณาอันนั้นจึงถูกเหมือนกันกับเขาทำงานเกษตรกราการเกษตรงานมีหลายด้านหลายอย่างจะทำนาทำสวน จักสารตลอดซึ่งสั่งไม้สั่งเหล็กอะไรต่างๆงาน น, นนั้นเขาก็มุ่งหวังหาสตางหาเงินถ้าเป็นตัวเงินมาแล้วจะเป็นงานต่ำงานสูงงานหยาดงานละเอียดมีคุณค่าเหมือนกันหมดแต่นาที่หาใครชอบถนัดในการหาแบบใดก็หาไป ตามความถนัดของใจมีการกำหนดพิจารณาบทธรรมก่อนทำนองเดียวกันจะกำหนดอะไรถูกทางนั้นหาจิตของทางคนนั้นได้รับความสงบความเยือกเย็นความเป็นสุขความปล่อยวางลาถอนเรื่องกิเลสตัณหาไม่ผิดถึงจะมีในตำรับตำราหรือไม่มีครูอาจารย์แนะนก่อนสัน่ง ที่มีธรรมจึงไม่จนธรรมพิจนารณาได้เพราะกายจิตนีสิ่งภายนอกี่เห็นที่ได้ยินถ้าจิตของเราเป็นธรรมสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมไปหมดแต่เรา จ, จิตของเราเป็นจิเลสมันก็เป็นจิเลสไปหมดเห็นสิ่งที่ไม่ควรรักมันก็รักสิ่งที่ไม่ควรเกลียดชังมันก็เกลียดชังขึ้น เพราะจิตมีกิเลสกิเลสจึงเป็นข้าศึกเป็นศัตรูต่อใจความสงบความสบายถ้าเราไม่อาศัยธรรมะเป็นอาวุธสำหรับฝ่าฟันกิเลสแล้วเราจะไม่มีวันสุขวันสบายสงบได้การฝึกจิตก็คือการฝึกสติฝึกปัญญา สติมีอยู่แต่มันไม่อยู่กับตัวมันหลวไหลไปในที่ต่างๆพอโดนเขา้าระลึกได้มันห่างไกลถาหาดเป็นอาวุธมันก็อยู่ที่อื่นเขายิงเจ็บเขาขาดแถบตายแล้วยิงจะไปยิงหาอาวุธมันไม่ทันกับเหตุการณ์เราตรง เอาอาวุธติดตัวสติมีอยู่ทุกขณะทุกเวลาอะไรเกิดมาจะต่อพิจรณาแก้ไขไม่อย่างนั้นไม่ทันกับจิเลศจิเลศมันไม่หาการหาเวลาไม่หาสถานที่มันเกิดได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินหนังนอนเมื่อขาดสติ ขาดปัญญาที่เลสมันก็เกิดขึ้นแต่นั้นจึงควรรักษาเรื่องสติเรื่องปัญญาของตัวเอาใจใส่ทำอะไรทำจริงควรฝึกตนอบรมตนถือว่าจิตถือว่าธรรมเป็นของมีคุณค่า เนือสิ่งถ่กไปแล้วมันก็เห็นก็เป็นไดน้ถ้าหากไม่ถืออย่างนั้นเห็นสิ่งอื่นเป็นของสำคัญกว่าจิตของตัวกว่ากว่าทำที่ตัวจะประพื้นปฏิบัติมันก็เป็นไปยากอาจจะเป็นไปไม่ได้ตลอดปันตายเพราะไมไ่สนใจการฝึกการรักษา แนสอนตัวเองจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนควรฝึกฝนควรแนสอนความสุขที่เราเ ค, เคยผ่านมาทางหูทางตา <c oughs> ที่หลเขานิยมเป็นอย่างไรได้สมบังหรือไม่ไทยๆทยก็คงจะพอทราบว่าความสุขที่เราหลุ่มหลงเปิดเพลินติดข้อว่าอันนั้นมันดีจะให้ความสุข แต่กายเสียใจของเราเมื่อได้มาแล้วมันไม่สงบังให้คือใจมันรับความสุขจริงถ้าเราตั้งเกตแต่คนเราไปเค็ดลาบทั้งทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งทั้งที่เห็นว่ามันเป็นเวนเป็นใครไม่เป็นสาระอะไรแน่นอนแต่ก็ยังจะคุบเลื่อยไปและลึกได้ชั่วขณะเหมือนฝ่าแรด จะทำอะไรให้เป็นสินเป็นอันหม่ด่ามีการละลึกด้าอย่างนั้นส่วนขณะเวลานิดหน่อยจึงไม่มีทางที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาไดา้มันละลึกมันคิดมันฝึกมันอบรมตัวให้จิตรู้ให้จิตเข้าใจจริงจังสิ่งที่ผิดให้จิตเห็นเด่นชัดมันจะ อยากจะกำหนัดเกิดขึ้นก็ไม่ตามเชื่อเรื่องของมันเพราะอันนี้ถึงจะมาแบบไหนอย่างไรก็คือยาพิษฟื้นกินต่อไปจะให้ทุกถึงตาม <c oughs> เราสอนใจของเราอย่างนั้นในจริงที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจจริงที่ให้ทุกแก่ตัว ทำความเฉ็นหลาบทำความกลัวให้ถึงใจแล้วจะไม่ฝ่าฟื้นกระทาอีกต่อไปใจของผู้มีอัดมีทาแน่นอนเป็นอย่างนั้นท่านไม่หลงไหลทั้งทั้งจีตาหูจมูกลีนกายใจมีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มีอยู่แต่ก่ออาศัยสติ ของท่านปัญญาของท่านรู้ทานมันจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรท่านพยายามแจกไขละถอนจนจิตของท่านบริสุทธิ์เต็มที่การที่จะรักษาเรื่องจิตไม่มีมีแต่รักษาเรื่องถาดขัน เรื่องของโลกเรียกว่าโลกวัฏซ ร, รักษาศีลตามพระวินัยบัญญัติไม่ใช่รักษาเพื่อจะให้จิตของตัวเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิชวัยมุติเพราะเหตุใดเพราะวิชาวิมุติท่านรู้ท่านเข้าใจอยู่แล้วแต่การักษาเพราะอยู่ในสังคมเพราะอยู่ในโลกมันจริงเป็นภาระ ลำบากทั้งทั้งจไม่มีโทษแต่รักษาจิตของท่านไม่มีโทษปราศจากทุกปราศจากกิเลสปราศจากราคะตัณหาแต่ก็รักษาเหมือนคนธรรมดาไม่อย่างนั้นโลกทุกจะติชิมนนินทาเป็นโลกาวัะเป็นทางเสียหาย <c oughs> แต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นรักษาเพื่อความบริสุทธิ์รักษาเพื่อความสงบรักษาเพื่อความสบายรักษาเพื่อความอยากได้มักผลผิดกันกับท่านที่บริสุทธิ์พยายามทีนี่พี่เจนะยังรู้จิตของตัวรู้กายของตัวเท่านั้นมันเหมือนกันหมด ทั้งอดีตอนาคตทั้งตัวเองและคนอื่นมันจึงหายสงสัยว่าอะไรที่จะควรละควรถอนอีกมันไม่รู้ตัวไม่เข้าใจในเรื่องของตัวจึงไปเกี่ยวข้องยึดถือเกิดปัญหาสำหรับเรื่องอื่นคนอื่น แทนจริงพิจารณาเขามาภายในทำเป็นสันพิทิโกเห็นเองทำเป็นโอปัญิโกน้องมาอย่าส่งออกไปเห็นอะไรได้ยินอะไรพิจารนาภายในน้องเขามาภายในใจไม่หลงถ้าทาได้อย่างนั้นใจจะสงบใจจะสบายเห็นคุณค่าสาระของตัวที่เกิดมา ได้ฝึกได้รักษาคุณงามความดีได้รู้ได้เห็นความสุขความสบายถึงกายมันจะมีโรคใครเบียดเบียนกายมันจะแปลจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติถาดขันตัวของท่านกว่าศาสตร์ดีจริงทีิงไหมเปลี่ยนแปลงแตกพวนแตกสลายคืออะไร สาแล้วหน้าที่ของกายหน้าที่ของธาตุขันเป็นอย่างไรกวทราบอีกเรียนกายเรียนใจเรียนได้ไม่หลงเรียนได้ประเสริฐเรียนได้สงบเรียนได้สุขใจมากเหม น, นเรียน ต่างๆภายนอกซึ่งตัวเรียนได้ขนาดนั้นแต่ไปสอบตกเขาออก้าเท่านั้นเขาไม่ให้ใบประกาศนิยบัดก็ยึดก็ถือเอาจริงจังว่าเราสอบตกคนนั้นเขาโง่ไม่ฉลาดเหมือนเราเรียนไม่เจ๋งเหมือนเราแต่เขาสอบได้เรารู้เราฉลาดกว่าเขาเรียนเจ๋งกว่าเขาแต่เราสอบตกเสียใจ นี่ความคิดของคนทั้งโลกที่ไม่ด้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมความจริงใบประกาศนั้นมันไม่เป็นปัญหาอะไรเขาได้มาถ้าเขาโง่เขาก็โง่อยู่อย่างเดิมเราไม่ได้เราจาเรารู้เราพอใจใบประกาศไม่มีมันก็คงที่เฉ่มันดีเพราะใบประกาศ มันชั่วเพราะไว ป, ประค่ะแต่จิตมันไปยึดจริงจริงอย่างจังถือจริงจงอย่างจังเราสอบตกมันไม่ตกไปไหนเราจําได้อย่างไรมันก็จําได้อยู่อย่างนั้นเราสอบได้เราชั่วเราเสียอย่างไรมันก็มันใช้มันได้มันดีขึ้นไปจิตใจของผู้ปฏิบัติทำทันทีที่พิจารณาภายในทุกสิ่งทุกอย่างไปฉะนั้นท่านจึงไม่มีการหวั่นไหวเอียง ไปตามเรื่องต่างๆ ง, ง, ง่ายไดย้เหมือนพวกคนทั่วไปที่เคยฝึกอบรมใจตาเห็นหูได้ยินเขาสรรเสริญนินทาทัานดูตัวของตัวเสมอไปเดี๋ยวพิจนารณาได้เพื่อแจกไขความยึดถือของใจสบายถ้าหากเป็นดีวิเศษได้ เพราะการสรรเสริญของคนเราก็ไม่ต้องลงมือทำการทำงานไม่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ต้องล ง, ง, งมือก่อสร้างอะไรพร้อมกันไปสระเสริญไอ้คนนี้ดีวิเศษจิตไม่มีจิเลตันหาจิตหมดทุกหมดเรนหมดภัยมีความของใสมีความสงบเย็นทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะลมปาก ขีดข้อันลรเสริญมันก็ควรไปสัละเสริญเอาไม่ต้องลงมือแบบเพื่อปฏิบัติมี่หมายถึงอัดทาภายในสัระเสริญภายนอกคนนี้สวยมากงามมากเทว ด, ดาก็สู้ไม่ได้ร่างกายมันสวยไปตามคาสันระเสริญของเขาเราก็ควรยินดีควรปลื้มใจแต่เขาสันละเสริญแล้วเราเป็นอย่างไรมันก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นสรรเสรนญแบบเรา เป็นคนมั่งมีร่ำรวยไม่มีใครไม่มีอะไรจะอดจนแต่เราเป็นคนอดคนจนมันก็อดจนอีู่อย่างนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นสรรเสริญว่าเราไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บอะไรจะโครคไข้เบียดเดียนเราแทบจะตายเราจะไปดีใจอะไรกรับคำสระเสริญของเขาเขาเนีนท่าแล้วกว่าทำนองเดียวกันพระพุธทธเจ้า หรือทางศาสนาฉันจึงสอนให้ดูภายในเมื่อดูภายในเข่อใจตามเป็นจริงมันตั้งมัน่นไม่ลหลงไหลไม่เอีย ง, ยงไปตามลมปากของคนฉันละเสริญก็แข่นั้นนินทาก็แฉ่นั้นนั่นเป็นลมปากเราดีชั่วยอย่างไรเราทราบดีกว่าคนอื่นที่จะมาสันละเสริญมานินทาเรานี่เป็นทางที่จะทําจิตให้ตั้งมัน่นทำจิตให้ถึง ความจริงาเรายังหลงตามเรื่องลมปาของเขาเรายังไม่มั่นคงทางจิตใจจงพยายามทําให้ถึงเหตุถึงผลทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเหตุถึงผลแล้วความบอกแวกเอียงใจเบาจะไม่มีหนักแน่นทุกการทุกเวลา ในหลวงไหลในความเห็นในการได้ยินไม่ได้ทือคนอื่นเป็นสำคัญเท่ากับจิตใจของตัวเองที่เห็นที่เป็นตรวจตาพิจารณาตัวเองเสมอไปเขาสละเสริญไม่ดีละอายอยากจะกระทำให้ดีอย่างเขาสละเสริญเขาตำหนิววาชั่วว่าเสีย เมื่อเราช่วเสียจริงก็ควรละอายละเวน้นให้ถือเอาสิ่งที่เห็นที่ได้ยินต่างๆมาเป็นธรรมสอนใจอย่าไปถื้อผิดจากคนอื่นให้ถือดีเสมอไปเพื่อจะเอาดีจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินให้ได้ถ้สอนเราได้อย่างนั้นเราหัก ทำตัวของเราอย่างนั้นอยู่สถานที่ใดจิตใจจะเบิกบานจิตใจจะผ่องใสจิตใจจะได้ปัญญาการพิจารณาธรรมอะจึงพิจารณาที่ตัวข้องตัวพิจารณาตัวข้องตัวแยาบคายเข้าใจเป็นจริงแล้วมันหมดปัญหา มันสุขมันสบายไม่มีการสงสัยการฝึกใจจินเป็นของที่มีประโยชน์มีคุณค่าเหนือสิ่งทั้งปวงพยายามฝึกพยายามสอนพยายามอบรมตัวเองพรกวุ้ยเจ้ากันบอกทางให้กูที่จะทำคือตัวของเรากูที่จะเดินคือตัวของเรา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณกายวาจาใจไม่มีอะไรบกพ่องสิ่งที่ควรละควรถอนท่านสอนว่าเป็นสิ่งที่ชั่วที่เสียขอพี่แจนะหาทางชำรบถอดถอนสิ่งที่ควรมั่เเ่นให้เห็นให้รู้ให้ใจอยู่ใจสงบขออบรม กระทำบำเพ็ญเองไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไปในความสงบของใจไม่เป็นไปในการละถอนที่เหลือตัวเองถ้าเราพิจารณาน้อมเข้ามาภายในพิจารณากายใจของตัวเข้าใจตัวเองดูเห็นตัวเองเป็นอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นมันก็ไม่มีทางสงสัย จิตใจที่มีกิเลสให้ทุกอย่างไรคนอื่นที่ยังมีกิเยสมันก็เป็นอย่างนั้นจิตใจสงบหมดกิเยสเป็นอย่างไรท่านที่ดับขันปริมิพานไปแล้วหรือยังเหลืออยู่ก็เป็นเหมือนกันกันกบเราหากเราเป็นเราเห็นเรารู้ธรรมะเป็นเนชื่อง <c oughs> สอนแสดง ให้ตัวรู้ตัวเองเป็นปริบัิสองโลกให้สว่างคือโลกของจิตภายในการฝึกจึงเป็นเรื่องสำคัญการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญอยากเห็นอยากรู้อยากเป็นอยากไปพยายามทาด้วยความเอาใจใส่พยายามตามรักษา กายใจของตัวคนที่พยายามเห่งอยู่จะรู้จะเห็นดีชั่วต่างๆเกิดขึ้นหากไปทำทยังแต่อยากมันก็เลยมีทางที่จะเป็นไปได้ทำถึงเราไม่นัาธนาถึงไม่มีความอยาก แต่เราทำอยู่อันนี้สง์มันก็ได้เหมือนกันกับเราเดินทางในป่าธนาอยากจะถึงจุดนั้นแต่ไปไม่ถอยมันก็ถึงปาธนาแรงก้าขนาดไหนแต่ไม่ไปมันก็ไม่ถึงมีการปฏิบัติกับทำนองเดียวกันลงมือปฏิบัตคิคิดส่วนอื่นคิดได้สอนคนอื่นสอนเป็นแต่จะสอนตนเองสอนไม่เป็น